มาเข้าคอร์สก็ได้ผลกันนะอยู่ที่ทำเอาล้ะถ้าไม่ทำผิดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นขนะั้นแรกเดินทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางทางที่ไม่พาจิตสุดโตรงไปสองฟัง พวกหนึ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆอยันนี้ย่อหย่อนไปพวกหนึ่งก็บังคับตลอดบังคับกายบังคับใจพวกนี้ตึงเครียดเกินไปหย่อนไปก็ตึงไปก็ใช้ไม่ได้นะรู้ไปด้วยใจที่เป็นปกติใจของคนธรรมดาอย่างนีนะ้รู้สึกลงในร่างกายในจิตใจ เอาวันนี้คุณลงมามีกันบ้านส่งไหมเนี่ยคนที่เราอยากให้ส่งไม่มีบคนนะไม่มีอะไรจะส่งอูยพยายามส่งนะบอกให้ส่งใหม่ส่งใหม่ไม่เชื่อเนีย่ยส่งกันบ้านคุณลุงน่เคยบวนอยู่กับเจ้าคุณนอนะ เป็นผู้เท่าอาวุโสกว่าหลวงพ่ออีกอายุเท่าไรแล้วล่ะเจ็ดสิบแปดยุคมากกว่าหลวงพ่อตอนที่คุณลุงบวชแก่เช่าคุณนอเนะ่ยหลวงพ่อยังเป็นเด็กปถมวิ่งเล่นอยู่เลย <Okay. S 1> ว, วิ่งเล่นที่ไหนวิ่งเล่นที่วัดเทพศิลิน รพระหลวงพอเรียนอยู่วัดพระปราชัยวัดพระปราชัยมันเล็กแล้วมีงานศพนี่เยอะแยะเลยวัดเทพศิรินสมัย น, น้นมีสระน้ำก็ใหญ่นะเขียวอือเลยมีเตามีอะไรต้นไม้ก็ยังเยอะเป็นที่ที่นักเรียนพระปราชัยเข้าไปเล่นกัน เวลาทะเลาะกันก็ท้าไปชคกันที่วัดเทพศิรินนะฉลาดนะโชคอยู่วัดพ่อพ ร, พรชาชัยเดี๋ยวครูเห็นนะหลวงพ่อยังเคยไปโชคกับเขาที่นึ่งมันท้าเรา <c oughs> ลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้บรรยากาศแบบนั้นหมดไปแล้วนะกลายเป็นปูนไปหมดความร่มเย็นไม่มีตอนนั้นไม่รู้จักท่านเจ้าคุณนอไม่เคยเห็นท่านเมื่เราเข้าไปวัดเทพศรินเนี่ยตอนหลังเลิกเรียนสามโมงครึ่งกว่าๆยังไม่ได้เวลาท่านออกมาทำวัด ท่านอาขจากุฏิตอนทมวัดนะเคยเห็นคนไปจุดธูปไหว้ท่านนะหน้ากุฏิท่านอนะ่ะตั้งๆ ท, ที่ท่านยาังเป็นๆอยู่นะเราก็ขำๆาว่ามันมาไหว้อะไรมันมเป็นไหว้เจ้าแต่ไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าคุณนองนะบ้านเมืองมาก่อนสิ่งแวดล้อมมันร่มเย็นกว่าเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ลำบากมีคนพวกเรานี้แหละซื้อดินมาเอามาถวายอาจารย์อาให้ปลูกต้นไม้ผุสศาห์ซื้อดินมาให้นะปลูกแล้วต้นไม้เฉาไปหมดเลยสุดท้ายก็ต้องขุดออกมาพิสูจน์มันมันมีน้ำนะแล้วมันเดือดเป็นฟองขึ้นมาเรื่อยๆ ขุดขึ้นมาเพราะว่าเต็มไปด้วยยาฆ่าหญ้ายาฆ่ า, มาแมลงสารพัดสารเคมีเลยเนี่ยใช้สารเคมีมากมายนะส่วนดินเสียหมดเลยดินเป็นพิษเลยปลูกต้นไม้นะต้นไม้จะตายเรแเราคิดเลยว่าคนจะรอดต้นไม้มันทนนะอยู่ไม่ไหวเลย ไม่แปลกนี่พวกเราจะเป็นมะเร็งเป็นอะไรกันเยอะเต็ไมไปด้วยผิดคนเป็นมะเร็งนะไปตรวจร่างกายเจอปุ๊บบางคนใจฝ่อตายไปเป็นสาเหตุการตายรองจากอุบัติเหตุเป็นโรคที่คนเป็นเยอะ พก็ราเรามีความเสี่ยงทุกคนเรารับสารพิษเต็มๆไปหมดนี่เราเลี้ยงไม่ได้ต้องอยู่ตรงเนี้ยต้องกินอาหารอย่างเนี้ยเราหนีไม่ได้มีบางคนเขากินผักปลอดสารพิษนะเคยมาที่เนี้ยมาเล่าให้ฟัง กินแล้วเข้าห้องไอซียูผักปลอดสารพิษมันปลอดอยู่เฉพาะป้ายเนี่ย ก, กินอย่างมีความสุขนะมันปลอดสาร <c oughs> โดนสารพิษนะเข้าไอซียูเลยเนี่ยขนาดมีป้ายบอกว่าไม่มีพิษนะก็มีเอาแน่ไม่ได้ปลูกกินเองนะก็สู้หนอนยากนะ นอนมแมลงเนี่ยมันบุฟเฟ่เลยในวัดนี่เราไม่ใช้ยาฆ่ า, มาแมลงยาฆ่ายาอะไรยไม่มีเนี่ยเป็นที่ที่สัตว์ได้มาอาศัยมากมายเนี่ยนอนมแมลงเนี่ยเข้ามาเยอะเลยมันนอนมแมลงมาเยอะแยะนกก็เข้ามาเต็มวัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยมันสมดุลของมันนะนธรรมชาติมันอยู่ของมันได้แต่เราสังคมใหญ่มันทำไม่ได้ มมีแต่คนทำลายต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นกรรมร่วมกันของคนในแผ่นดินนี้เกิดมาในยุคที่อยาผิดเยอะเราแก้ตัวนี้ไม่ได้แก้ที่คนอื่นไม่ได้เราพยายามฝึกตัวเองอย่ากลับมาเกิดแถวนี้เลย นะอย่ากลับมาเกิดที่นี่ไปเกิดที่ไหนดีดูที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยค่อยๆภาวนายกระดับใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆบางคนตั้งใจนะว่าจะขอไปเป็นเทวดาไปจบในเทวโลกโลกของเทวดาอย่างก็ตั้งใจแล้วมันจะได้ะ ผิดศีลอยู่ไปไม่ได้ถ้าเราอยากเป็นเทวดานะรักษาศีลให้ดีจงกระทั่งเราเกิดฮิริโอตปะฮิริโอตปะคือความละอายใจที่จะทำบาปความเกรงกลัวผลของการทำบาปถ้าเรามีหิริกับโอตปะสองตัวนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีเทวธรรม ธรรมะของเทวดาหรือเราอยากสูงกว่านั้นเราเจริญเมตตาอะไรไว้เนียเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรน้พรหมวิหารอันนี้เป็นคุณสมบัติของพรหมเราเลือกได้นะเราอยากไปนรกก็ทำได้เราก็เลือกได้มีสละ อยากเป็นเทวดาก็ได้แต่ถ้ามีกิเลสปนนะมันก็เป็นเทวดาระดับล่างหน่อยเจือปนมีบุญไม่มากมีบุญพอจะเป็นเทวดาได้มีศีลห้ามีศีลห้าเป็นเทวดาล่างๆเนี่ยพอได้แต่ว่าถ้านิสัยยังมีกิเลสแทรกอยู่เป็นเทวดาชั้นจ่าตุนะ อย่างถ้าเป็นคนที่ดีไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ขี้โมโหจะได้เป็นเทวดายักษ์ถ้าหลงในกามนะแต่ไม่ผิดศีลนะเว็ชู้เข า, านี่ตกนรกนี่ไม่ทำผิดศีลอะไรนะแต่ว่ามัวเมาเพลิดเพลินในเรื่องกามเรื่องราคะอะไรเนงะี้ยก็เป็นเทวดาตระกูลกุมพันกุมพัน กุมพันคืออันทะเท่าหม้อกุมระอันทะถ้ามีความดีด้วยแล้วมีโมหะเสื่องซึมบ่อยไม่เป็นเทวดาตระกูลนาคถ้ามีความดีแต่ว่าชอบเฮฮาปาร์ตี้พวกเราเนี่ยเยอะเลยจะไปเป็นพวกคนทัน มีญาติแม่ชีคนก็ชอบภาวนานะชอบเข้าวัดชอบอะไรแต่ใจมันชอบเล่นชอบเฮหาปาตีเนี่ยสมัครยื่นใบสมัครเป็นคนทันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นไหมเราเลือกได้นะเราทำกรรมอย่างไรเราก็ต้องรับอย่างนั้นยุที่ทําที่สุดละ อย่างหลวงพ่อภาวนามาแต่เด็กนะไม่อยากยุ่งกับโลกเท่าไหร่หรอกคนที่ไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ชอบไม่ชอบยุ่งกับใครกลางค่ํากลางคืนเนะี่ยทําการบ้านเสร็จเนะไรเสร็จอยู่เงียบๆหายใจไปพุโทโธไปอนะไรอย่งี้วิธีตื่นมากลางคืน ก็มาภาวนาสมัยนั้นจิตมันยังสนอยู่นะภาวนาบางทีมก็เห็นอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนอยู่ที่เมืองนนะบ้านไม่ได้อยู่ติดถนนนะแต่ว่าระหว่างบ้านกับถนนเนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นทุ่งมีลําคลองขนานริมถนนสองฝั่งมีต้นไม้เยอะ มีตอนดึกดึกคืนหนึ่งนั่งภาวนานั่งเก้าอี้เนี่ยอยู่ที่โต๊ะมองออไปนอกหน้าต่างเห็นคนเดินมาคล้ายครๆพวกที่มาหาปลาตอนกลางคืนจะมีโคมไฟนะอันหนึงนะ่งมีฉมวกมีอะไรมามาจับปลาแล้วก็ดูดูอยู่คนนี้ขยันม้ยตีสองแล้วยังมาหาปลาไม่เลิกอีกเดินเดินเดิน มเดินเข้ามาใกล้ๆเราเริ่มเฉลียวใจโคมของมันนี่นะก้านเนี้ยยาวมากเลยก้านยาวหลายเมตรเลยะโคมไฟมนะันอะแล้วตัวมันเนี่ยสูงเท่าต้นไม้เราคิดเป็นพุ่มไม้เทเตี้ยไม่แปลกอะไรตอนเช้าออกมาจากบ้านจะไปขึ้นรถเมย์ใกล้ๆต้นไม้นั้นเนฮะ้ย <c oughs> นี่มันต้นมะขาเทศ <c oughs> ความเทศต้นใหญ่เลยนะตอนเห็นไม่เคยกลัวนะเพราะเวลาเราจะเห็นอะไรเนี่ยจิตมันมีสมาธิตอนที่กลัวเนี่ยจะไม่ได้เห็นเพราะจิตไม่มีสมาธิจะเห็นบ่อยๆแล้วก็หายกลัวให้กลัวผีบ้างขอให้เห็นบ่อยๆ ต่อไปก็จะเลิกกลัวนะชินธรรมดาทำไมตายแล้วยังเที่ยวหาปลาอยู่เป็นสัตว์ในอบายมีโลภะนำหน้าอยู่เป็นเปรตแต่กูลเปรตที่ก็เห็นคนค่าตัวตายเดินร้องไห้ เดินลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งร้องพวกนี้เศร้าหมองนะก็แไปต้องไปนรกอย่าฆ่าตัวตายนะถ้าเรามีความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยอดทนไว้ไม่กี่ปีมันก็ผ่านฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ผ่านง่ายๆ เ, ยเป็นร้อยปีพันปีนะจะทุกข์ซ้ําอยู่อย่างนั้นอดทนไว้อย่าฆ่าตัวตาย กลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจดูใจของเราไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆให้ใจมันมีที่พึ่งที่อาศัยไว้หรือชอบพระพุทธ ร, รูปองค์ไหนสักองค์นะชอบพระแก้วมรกตชอบพระชินราชอะไรอย่างงี้ดูรูปท่านนึกถึงใจมันก็ได้สมาธิขึ้นมาว่ามีความสงบมีความสุขเราประมาทไม่ได้นะ เรารู้สึกเก่งเราเก่งตอนความทุกข์ที่รุนแรงมาถึงเราเนี้ยบางทีทั้งๆ ท, ท, ที่เก่งนะตั้งหลักไม่อยู่นะพังภาพเลยล้มเลอเนรนาฏเลยหลวพเคยเห็นมาหลายรายแล้วนี่ว่าภาวนาดีๆ ด, ด, ดีมากๆเนะี่ยเวลากรรมให้ผลออกมาเนี่ยมีความทุกข์แบบถ้าเทียบกับคนในโลกคือล้มละลายเลย ลมละลายทางจิตใจแต่ถ้าเคยฝึกเคยภาวนานะ่มันจะฟื้นตัวง่ายคล้ายๆกอบกู้สถานการณ์ได้เร็วหน่อยบางคนนะทุกมากอย่างอกหักนะทุกมากค่าตัวตายเลยค่าตัวตายนี่ง่อนดับหนึ่งนะไม่ดีเลยจะส่งกันบ้านไหมถ้าไม่ส่งจะเล่าเรื่องผีให้ฟัง ระหว่างผีกับธรรมะจะเอาอะไรผีเดี๋ยวก็เจอพวกเราไม่นานก็ได้เป็นหรอกใครจะส่งบ้านพวกอยู่วัดก่อนเอาไหมถ้าไม่มีก็ส่งผ่านไม้ไปยังไม่ต้องฉุกไปยังไม่ได้เรียกกราบหลวงพ่อค่ะ อยากจะเรียนถามว่าอย่างหนูนี่คือต้องช่วยคิดนำให้ให้จิตธรรหนูนฟุ้งซ่านมากอยู่แล้วหนูต้องทำความสงบก่อนคะนะสวดมนต์ไปไหว้พระไปไม่ต้องคิดเรื่องเดินปัญญาคยังไม่ใช่เวลาใจหนูฟุ้งดวกไหมดวกอค่ะเออไปจัดการใจของเราก่อนให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกันตัวก่อนอต่อไป การหลวงพ่อครับตอนนี้จิตมีแรงแล้วก็สงบขึ้นครับพร้อมที่จะไปสู้กับโรคครับดีหลวงพ่อเมื่อก่อนก็แบบนั้นแหละสามเดือนสี่เดือนนะได้ไปหาครูบาอาจารย์ทิ้งมีแรงกลับมาสู้กับโลอีกแต่สู้ก็สู้แบบลูกศิษย์มีครูนะภาวนาทุกวันแต่กำลังของสมาธิมันตกตกต ก, ตกไปเรื่อย ช่วงสามสี่เดือนก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ได้แรงกลับมาก่อนสามสี่เดือนจะไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆหลวงปู่เทศอาจารย์มหาบัวหลวงปู่ดูลหลวงปู่สิมทีม่นี่อยู่ไกลแล้วทุกเดือนจะไปหาหลวงพระพุทธที่โคราชก็ได้กำลังมาเอาแรงมาภาวนาต่อฟุ้งกว่าเมื่อวานค่ะ แล้วก็อยากขอการบ้านหลวงพ่อค่ะรู้เธอความเป็นกลางจิตสงบชอบรู้ว่าชอบจิตฟุง้งซ่านไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูไปความเป็นกลางสำคัญมากนะถ้าเป็นกลางเมื่อไรจิตจะหยุดการดิ้นรนถ้าไม่เป็นกลางยังยินดียินร้ายอยู่จิตจะดิ้นรนเราจะภาวนาเรื่อยๆจนจิตหมดความดิ้นรนรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ตรงนั้นเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลก็ใจ ย, ยังฟุ้งๆอยู่ครับแล้วก็ใจฟุ้งๆก็รู้ไปนะชอบชี้อ่อนก็รู้นะชอบโอดครวนอะไรเงี้ยก็รู้มันนะมันเป็นยังไงรู้ทันมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้ ร, รว่ามา ห้ามฟุ้งซ่านเ<ส>ท่านั้นแหละไม่มีอะไรสมาธิดีนะแต่ว่าอย่าไปประคองไว้อย่าไปรักษาอยู่ยังรักษาอยู่ขณะนี้รักษาอยู่ดูออกไหมดออกค่ะโอ้ดูออกจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมดูออกค่ะโอ้แล้วสงสัยอะไรสงสัยว่าตอนที่เข้าค่ายกับเมื่อกี้นี่ค่ ะ, ะมันมันที่ ท, ที่มันมีการหมุนหมุนของ อยู่กลางหน้าอกเออแล้วมันมีเวียงเลยค่ะมีเสียงด้วยมีเวียงเอเวียงห้ามไม่ได้หรอกมันจะพูดดูห้ามมันไม่ได้แล้วแล้วมันอธิบายมันพูดให้ฟังธรรมะอย่าเชื่อมันแล้วค่ะออย่าไปฟังมันนะให้รู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านดูตรงนี้เลยตัดยอดมันเลยเด็ดยอดมันเลยมันมาสอนธรรมะเราเลยอ๋อจิตกําลังฟุ้งซ่านเล่นมันตรงนี้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะฟุ้ง อย่าเชื่อมันมันจะสอนธรรมะดีวิเศษแค่ไหนก็ช่างมันเพราะว่าจิตมันถ่ายทอดอะไรขึ้นมานะถ้าจิตไม่มีสมาธิจริงมันฟุ้งซ่านหมดมันไม่ใช่ธรรมะของแท้เพราะงั้นเวลามันสอนธรรมะขึ้นมานะรู้ทันเลยว่ามันกำลังฟุ้งซ่าน เขาบอกว่าครั้งก่อนหลวงพ่อให้เขาดูจิตที่มันสะเทือนกลางอกอะค่ะ <Yeah. S 2> เสร็จแล้วเขากลับไปแล้วเนี่ยมันมีสภาวะแบบเหมือนมีอะไรมันมันพุ่งออกมาจากจิตเขาอะะไรนะมันเหมือนมีอะไรมันมันพุ่งออกมาจากจิตเขาแล้วมันก็สะเทือนตลอดเวลา mm. เขาไม่รู้ว่าจะต้องจะต้องดูยังไงเอาตาไปดูหรือจะดูยังไงเลยไม่ไม่ต้องตามไปดูนะแค่รู้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็หายไปพุ่งขึ้นมาแล้วก็หายไป ดูตรงนี้เราเห็นเกิดดับแต่ดูไปเรื่อยๆมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วมันจะทุกข์รู้สึกทุกข์มากตรงนี้เราจะพักผ่อนด้วยการทำสมถะกลับมาอยู่กับพุทธโธลมหายใจอะไรก็ทาสลับไปพอจิตใจร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็มาดูมันผุดขึ้นมาจากกลางอกอีกมันผุดขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้นแหละกูสลเหรืออกูสลก็ผุดขึ้นจากกลางอกนี่แหละ แต่ทั่งมรกผลนะก็ะแหวกออกจากกลางอกนี้แหละเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เห็นมันผุดผุดผุ ด, ผดไม่ห้ามมันไม่เข้าไปแทรกแซงมันแต่พอเห็นแล้วพอเหนื่อยพอเครียดขึ้นมามันทุกข์มากๆกลับมาทําความสงบสลับกันไปทําความสงบจิตใจสบายแล้วก็ดูมันทํางานไปไม่ต้องอยากรู้ว่ามันคืออะไร นะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าคืออะไรแค่เห็นว่าสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างที่เกิดนระดับทั้งสิ้นเราเห็นแค่นี้พอลนะบอกข้อนิดหนึ่งว่าระวังเรื่องฟุ้งซ่านอย่าคิดเยอะให้รู้สึกเอานาะยหมอ เอาผมนมัส ก, การนะครับ<ม>ก่อนเดี๋ยวก่อนโมทนาณนะมีคนบอกว่าออกไปช่วยรักษาคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยอนุโมทนาด้วยดีอแล้วไงอจิตมันยังไม่ถึงฐานครับหลวงพ่อแล้วก็กมันดีขึ้น<ง>มากแล้วนะครับมันดีแต่ก่อนเนะี่ยมันฟุงฟ้งๆลอยๆอยู่ข้างนอกตอนนี้เราไม่ได้ประคองอยู่ข้างนอกดออกไหม มันเริ่มกลับเข้ามาแล้วล่ะอย่างนี้ถือว่าก้าวหน้ามากนะต่อไปก็ค่อยสังเกตจิตเราเคลื่อนไปในความคิดเราก็รู้เคลื่อนไปดูก็รู้เคลื่อนไปฟังก็รู้รู้บ่อยๆตรงนี้เราเดินปัญญาไปฝึกต่อไปสมาธิดีขึ้นมากแล้วเมื่อก่อนนะใช้ไม่ได้นะจิตเดือดแต่ก่อนไม่ใช่สมาธิที่ดีหรอก มันจ้าจ้าเผลอเอเพลินๆ อ, อ, อ, อ, อยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ข้างนอกนิดหน่อยรู้สึกไหมรับผมเออมอยู่ข้างนอกนิดหน่อยรู้ว่าอยู่ข้างนอกไม่ต้องทำอะไรหรอกทำกรรมฐานของเราไปเดีย๋ยวไม่ค่อยกลับเข้ามาเองอย่าไปดึงคืนถ้าดึงมาแล้วจะแน่นนี่อยู่ข้างหน้านะสงชูมือไว้เขาจะได้ส่งใหม่มาถูก กราบทวศการท่านหลวงพ่อประโมทประโมทโชเหนวัดสวนสันติธรรมวัดสวนสันติธรรมศรีราชาชนบุรีชนบุรีค่ะขออนุญาตค่ะออนุญาตกราบเรียนหนเพิ่งเข้ามาศึกษาธรรมะในชีวิตเนี่ยเพิ่ง5เดือนอายุห้าสิบหกว่าแล้วแต่เพิ่งทราบแล้วก็ได้เรียนจากทางยูทูบและทางซีดีเพราะเคยมาเมื่อเดือนทันวาอยู่ครั้งหนึ่ง ฟังแล้วก็เขียนสมุดจดด้วยพยายามทําทุกวันตอนนี้มีข้อสงสัยและไม่แน่ใจในตัวเองนะคะว่าหนูภาวนาถูกหรือไม่เพราะว่าที่ภาวนาทุกวันนี้ก็คือบทเรียนที่จดลงไป ท, ที่ท่านหลวงพ่อได้สอนได้พูดหนูก็ภาวนาทุกอย่างลงในนั้นคือได้มากแค่ไหนภาวนาถูกแล้วล่ะ หนูก็เลยไม่ได้ใจว่าที่ภาวนาไปในบทเรียนนั้นถูกไห่งตอนที่หลวงพ่อบอกภาวนาถูกแล้วล่ะมันดีใจแวบหนึ่งรู้สึกไหมค่ะถ้าเรากําลังหลงอยู่ในความคิดนะมันดีใจขึ้นมาเราก็ไม่เห็นนะเพราะนถ้าใจเราหลงไปอยู่ในความคิดเราจะไม่เห็นสภาวะนะเพะฉะั้นเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าหลงคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวไปะจิตดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะ ภาวนาได้ดีแล้วล่ะต่อไปเราก็เรียนรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดรู้น ะ, ะเราจะเห็นว่ากิเลสทุกตัวเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวใช่ค่ะนะดูไปอย่างนั้นนะทีนี้หนูขออีกข้อหนึ่งคือหนูมีลูกสี่คนเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาเสียแล้ว ก็พยายามคือตัวเองฟังด้วยแล้วก็เปิดเพลินเพลินให้ลูกฟังเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่รู้ว่าว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกับข้างหรือฟังหรือทำงานก็เลยคิดว่าวันหนึ่งน่าจะได้แต่ว่าเขาใช้วิธีทำ Meditation ในภาษาอังกฤษค่ะใช้คำอะไรไม่สำคัญอนะเปิดซีดีหลวงพ่อให้เขาฟังไปเขาฟังภาษาไทยได้เปล่ามีคนเล็กที่ ได้นิดหน่อยค่ะไม่ลึกค่ะอฟังไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่างการภาวนานี่เออย่าไปบังคับเด็กนะค่ะปล่อยให้เขาเรียนรู้ค่ะฟังท่านหลวงพ่อพูดบอกว่าอย่าบังคับให้เขาเข้าเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้างั้นคือการภาวนาที่หนูทําอยู่นี่ก็คือถูกแล้วจากการที่เรื่นี่ยใช่แล้วเราก็ทําให้ลูกดูคือคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะค่ะสุขก็รู้ทุก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ น, นั่นแหละอ่านใจตัวเองบ่อยๆแล้วต่อไปลูกมันจะซึมซับได้เองแต่เด็กนะพอถึงวัยรุ่นเอาครามาฐานเอาไม่อยู่หรอกจะเป็นธรรมชาติเขาจะต้องไปอยู่กับเพื่อนต้องไปอยู่กับโลกไปเรียนรู้แต่ถ้าเราเคยปลุกฟังไว้ตั้งแต่เด็กคล้ายๆเราฉีดวัคซีนไว้ให้ ต่อไปเวลาเขาเจอความทุกข์เขาเจออะไรเนะี่ยเขาจะหวนกลับมาอย่างตอนวัยรุ่นไปบังคับไม่อยู่หรอกปล่อยแต่เราก็ภาวนาของเราไปค่ะคือของหนูใช้วิธีคือเพราะว่ามีสองคนอยู่เมืองนอกแล้วก็สองคนอยู่เมืองไทยก็เลยส่งไลน์ย t ท b e ของท่านหลวงพ่อไปอแล้วก็คือฟังนะหรือ ว, ว่า Listen ิส e ์เพลรอย่างนี้ล่ะคะอขอบคุณค่ะท่านหลวงพ่อ ตื่นเต้นครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับแล้วหลวงพ่อคว่าส่งบ่อยครับเพิ่งฟังมาสามเดือนเต็มๆครับผมสเดือนทําได้อย่างนี้เก่งนะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมเวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับผมตอนเดินจงกรมก็อย่าบังคับจิตนะครับเห็นร่างกายเดินรู้ไปด้วยจิตใจปกติธรรมดาครับผมภาวนาใช้ได้นะสามเดือนทําได้อย่างนี้เก่งแล้วล่ะอยาก กล่าวขอคาแนะนาขัดเกลาวเพิ่มเติมให้อยู่ในแนวทางครับผมต้องดูตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าขนี้บังคับจิตอยู่ดูออกไหมตื่นเต้นครับออตื่นเต้นแล้วไปบังคับมันเพราะมันเป็นแล้วล่ะไปดูสภาวะทั้งหลายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรืนะ่อยๆแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราเองก็รู้สึกตัวเองว่าก้าวหน้าขึ้นถูกจกจา ก, จาก ก่อนที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยปฏิบัติเลยครับ ก, ก็เลยคิดว่าตัวเองมาถูกทางครับถูกครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับผมรู้ไปครับน <laughs> นี้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาสามปีแล้วคะ่ะ <h ums> แล้วช่วงนี้มีความทุกข์เยอะกังวลเยอะอะไรเงี้ยค่ะอยากจะขอคำแนะนำว่าควรปรับปรุงอะไรบ้างถูก็ให้รู้ แล้วใจเราไม่ชอบอยากให้มันผ่านไปอยากให้มันหมดไปก็รู้ทันใจที่อยากนะทําอะไรไม่ได้ก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับเจริญเมตตาอะไรก็ได้ให้ใจมีที่อยู่อาศัยนะช่วงไหนใจมีแรงแล้วก็กดูให้เห็นความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นความรู้สึกทั้งหลายมันผ่านมาผ่านไปด้วยอย่างนั้นแหละนะ จเจริญขึ้นเยอะนะความทุกเนี่ยเป็นของดีนะอย่าเกลียดมันถ้าเราไม่ทุกเนี่ยเราภาวนาไม่ได้ขนาดนี้หรอกคนไม่ทุกมันจะเพลินเพลิ น, ลนภาวนายากเมื่อไหรมันทุกแล้วเรารู้หลักของการภาวนาจะไปได้ดีอ๋อหนูก็กังวลเรื่องเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยกังวลรู้ว่ากังวล เจ็บป่วยก็ให้หมอมรักษาไปหน้าที่ของหมอไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเรารักษาใจของเราไว้แต่ถ้าหมอรักษาไม่หายจะตายตายก็ตายตายเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกคอยรู้ค่อยดูไปเรื่อยด้วยถ้าจิตไม่มีกําลังนี่ให้ทําสมถ ะ, ะถ้าจิตไม่มีกําลังไม่มีแรงรู้ให้ทําสมถะใช่ไหมใช่ ถ้าไม่มีแรงหรือว่าวุ่นใจทุกข์มากดูอะไรไม่รู้เรื่องทำสมถะนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้บริกรรมก็ได้บริกรรมก็เอาที่เราถนัดอย่างบางคนหลวงพ่อบอกบริกรรมพุทธโธไปพุทธโธอะไรเงีนะ้ยเขาบอกเขาบริกรรมเมตตาพุทังอรหังเมตตาได้ไั้ยได้บอกอะไรก็ได้ ก็่างรูชอบเดินจงกรมอย่างนี้ได้ไหมคะไู้กายเคลื่อนไหวเออ๋อยวเพ่งก็แล้วกันเดินดูสบายๆเห็นร่างกายเดินด้วยใจสบายๆไปนะถ้าเดินไปเพ่งไปมือเหนื่อยเปล่าที่เดินอยู่นี่มีมันติดเพ่งใช่ไหมมาเดินสิเอาเลยเหรอคะเออเอาของจริงสมิมาเดินในจินตนาการได้ยังไงเดินไป นั่นแหละเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละหลงแล้วหลงแล้วมันเพ่งนะอย่าเพ่งเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะเราดูสบายๆเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเดินได้ชํานาญขึ้นแล้วละ่นะเดินแล้วมันมีปีติขึ้นมา มันยังบังคับอยู่ไปไปนั่งเดินแล้วก็รู้ทันตัวเองไปดีใจไหม ด, ดีใจค่ะยกมาอย่างนี้ยกแบบร้องคาราวเกจกับหลวงพ่อค่ ะ, บ, คะบ้านอยู่อยู่ไกลค่ะอยู่ไหนต่างประเทศค่ะหรอประเทศอะไรอ่ะประเทศเยอรมันค่ะเออไกลพรุ่งนี้ก็บินกลับแล้วค่ะดีกว่าเดินกลับ <laughs> ขอโอกาสค่ะกลับขอเข้ามาหลวงพ่อกายวาจาใจที่ประมาทพลาดพังไปภาวนาไปนะสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคือคือเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเคยมาส่งการบ้านคุณแม่ค่ะได้โอกาสมา ก็เล่าสภาวะไปไปไปแล้วคุณแม่บอกว่าเพ่งแล้วคุณก็เลยถามคุณแม่ว่าการขาดมันแยกมันเป็นยังไงคุณแม่ก็เริ่มอธิบายอาพอถึงพอถึงคุณแม่บอกฮมันมันจะเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนไฟมันดับมืดหมดเลย มันจะเหลือแค่แค่แค่ไอไอก้อนๆหนึ่งห้อยตองแต่งอยู่ตรงนี้อยู่กับความมืดค่ะมันมันอะไรเป็นอะไรคืออะไรคะคุณหลวงพ่อฮะมันมันคืออะไรอ่ะมืดห้อตองแต่งอ่ะมันเดียวแต่ก้อนเดียวอยู่ห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นน่ะคุณแม่บอกไม่เคยได้ยินเมืดหมดเลยไม่ไม่เหลืออะไรเลยเหลือก้อนเดียวอยู่ตรงนี้ค่ะต้องเหลือจิตอยู่ <น>ะ อ, อะไรดับก็ได้แต่เหลือความรู้สึกตัวอยู่ อ, <นะ S 2> อย่าไปดูเป็นก้อนๆงั้นมันเป็นนิมิตแค่ว่าทำอะไรก็ได้แต่ต้องรู้สึกตัว<อ>บางทีนั่งสมาธินะร่างกายหายไปเลยโลกก็หายไปเหลือความรู้สึกตัวอยู่<อ>ไม่ดับบูบเหมือนนอนหลับนะเห<อ>มือนนอนหลับไม่ได้ อ, อีกอันนึงคือเวลาเดินจงกรม แล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วมันจะผุดขึ้นมาตะกลางหน้าอกอื ม, มันจะบอกว่าร่างกายนี้มันเหมือนเรือต้องพายให้มันไปถึงไปใกล้ๆฝั่งที่สุดเดี๋ยวมันจะไม่จมน้ําตาย ม, มันมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพ้อเจ้อคะจิตมันสอนธรรมะเรานะก็ฟังไว้งั้นแหละแล้วเราก็มีสติ ด, ดูของเราต่อไปอบางทีมันสอนจริงก็มีนะโกโหกก็มีเพราะจิตเรายังมีกิเลสอยู่ งั้นในที่จิตสอนจิตสอนอย่าไปเชื่อมันมากฟังดูมีเหตุผลแล้วถึงเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่มันพูดอะไรก็เชื่อหมดนะเพราะจิตเรายังมีกิเลสมันหลอกเอาการนัดตึดเลยก็ขอการบ้านแบบเข้มข้นไม่ต้องไว้มือเลยก็หลวงพ่อเอางั้นเลยนะใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่นะ ล้วอย่าไปปรับรองให้มันนิ่งประจําค่ะเออนั่นแหละไม่เอาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติรู้ไม่ใช่ว่าฟุ้งไปแล้วก็กดเอาไว้อย่างงี้อย่า ก, กดเอาไว้ปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปสบายๆใจเราฟุ้งซ่านเก่งรู้สึกไหมเยอะมากเลยคัะเ อ, อนะเพราะงั้นเราต้องแทนที่จะปล่อย ให้มันคิดฟุง้งซ่านตามใจกิเลสไปเรื่อยๆเราจงใจคิดนะคิดพุดโทโธคิดอะไรก็ได้บริกรรมไปหรือคิดเรื่องร่างกายก็ได้คิดเรื่องร่างกายได้ดไสังเกตไหมสังเกตค่ะนั่นแหละเราดูกายแล้วพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วใจมันจะค่อยมีแรงขึ้นมามีอีกอย่างนึงกัะหลวงพ่อคือ คือบ้านอยู่ดอนแล้วแล้วบ้านนี้นี้จะไม่มีใครอยู่ถ้ากลับไปที่ที่ที่เมืองนอก <c oughs> แล้วเราจะญาติญาติาเขาจะบอกว่าเออถ้าไม่มีคนอยู่แล้ว ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าญาติเป็นดอนที่นูน่นมันเขาจะนอนไม่ได้เลยจะจะมีคนมาเดินลากเท้าอยู่ประจาไม่มีใครนอนไล่ได้เลยค่ะก็เรื่องของเขาเรานอนได้ก็แล้วกันนอนได้ค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่วันนึงเอานั่งสวดมนต์อยู่ เออมันมันรู้สึกกลัวขึ้นมามันจะเห็นเห็นอยู่ตรงตรงนั้นอจะม้วนลงไปเลยกลัวมากเลยนึกนั่นแหละค่ะนึกขึ้นมาได้หลวงพ่อเคยพูดว่าให้ดูไปตรงๆดูมันไปตรงๆมันหายเลยค่ะหายแน่นอนเพราะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับขอบพระคุณค่ะบางทีก็มีนะตามบ้านมีผีอยู่ที่บ้าน หลวงพ่อเมื่อก่อนเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนมาขออยู่ที่บ้านหลวงพ่อวันสองวันเท่านั้นแหะพอลงไปนอนนะก็เห็นผู้หญิงมีครึ่งตัวนะกลัวขึ้นมาตาเขียวเขียวบ อ, อกไปนอนที่อื่นอย่ามานอนตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่ที่หลวงพ่อนอนเขาไม่ยอมให้คนอื่นมานอน อนนี้ก็เถียงเจ้าของบ้านเขาอนุญาตแล้วนะ <c oughs> ขออยู่วันสองวันเองอ่ะตกลงได้แต่ว่าเลื่อนที่ซะหน่อยอย่านอนทับที่นี่ห่วงที่นะันนี้มัสการค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อยากจะดูจิตตอนนี้ค่ะจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดแล้วก็<ม>ออพอ นั่งฟังทําไปแล้วก็มันจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นทุกข์อะค่ะแล้วก็กมันจะต้องทํำยังไงต่อไปอะ่ะก็ดูไปเรื่อยๆนะถ้าทุกข์จนทนไม่ไหวนะกลับมาทําสมถะหายใจเข้าพูดออกโธหรือว่าสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ลืมการดูไปชั่วคราวพอเราไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือทำกรรมฐ า, านอะไรสักอย่างเรื่อยๆสบายใจแล้วค่อยกลับมาดูต่อนะ แปลกนะตอนหลวงพ่อยังไม่บวชเนี่ยนะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่วันที่บวชเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่กิเลส <c ười> กิเลสตัวเองไงเนาะเ <c ười> ขาอื่นไม่เห็นนะผีสางนางไม้ไม่เคยเห็นเลยเวลาผีจะมาขอส่วนบุญนะมันต้องผ่านในหน้ามีตัวแทนมันต้องไปบอกตัวแทนของหลวงพ่อก่อนแล้วเขามาบอกหลวงพ่อ เราก็แผดส่วนบุญไปอนะไรเงี้ยใจมันไม่เอาเลยของพวกนี้มันรู้สึกไม่มีสาระชีวิตคนสั้นนิดเดียวถ้าเอาชีวิตมาเล่นกับเรื่องบ้าๆบอๆอย่างี้ทั้งเสียเวลานานงั้นภาวนาดูกายดูใจของเราดีที่สุดว่าไปเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วค่ะขอ ขอคำแนะนําข อ, อกันบ้านคนะ่ะอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆปล่อยจิตใจให้เหมือนคนธรรมดาจิตใจคนธรรมดาก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านแต่เราต่างกับคนธรรมดานิดเดียวคือสุขเราก็รู้ทันทุกข์เราก็รู้ทันสงบฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันปล่อยให้ใจมันเคลื่อนไหวเหมือนคนปกติอย่าไปประคองให้นิ่งอย่ารักษาไว้ รักษาเยอะไปหน่อยนะไปรักษาไว้เดี๋ยวนี้เรามีสื่อเข้าใช้ภาษาจีนใช่ไหมสื่อภาษาจีนเรามีเยอะไหมมีเยอะใช่ไหมไปดูอยู่กู้นะ <c oughs> เปลี่นไปเยอะแล้วล่ะ นะคอยดูสิร่างกายกับใจมัโคด้านกันความรู้สึกกับจิตใจก็เป็นโคล้านกันใจเป็นคนดูสบายๆไปนะเห็นร่างกายทํางานไปใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดนะูที่เขาฝึกอยู่ใช้ได้นะดีดีเชล่าหลงพ่อคะเขาเ ข, า, ขาบอกว่า เมื่อก่อนเขาเหมือนกับรู้ความรู้สึกของคนอื่นแล้วหลวงพ่อให้แนะนําให้เขา <He S 2> ดูาา แ, แต่แต่ตอนนี้เขาบอกมันอาการมหนักหนักกว่าเดิมฮะรู้มากกว่าเขามันมันหนักกว่าเดิมเขาขอคําแนะนําค่ะถ้ามันจะออกไปรู้ข้างนอกนะพามันคิดพิจารณาเข้ามาในร่างกายเราเลยนะแทนที่จะสนใจคนอื่นนะดูลงมาในร่างกายเราเลยดูผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะี่ยทบทวนเข้าไปอยู่ในร่างกายนะแต่จิตใช้ได้นะ สมาธิเขาดีอยู่อย่าสนใจของข้างนอกต้องเอาแบบที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ว่าตอนเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อเที่ยวออกไปรู้ไปเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอนะมาภาวนามาบวชจริงๆไม่เอาแล้วเป็นเวลาที่เราจะเรียนรู้ตัวเองคนอื่นเป็นยังไงช่างมันนะของคุณก็เหมือนกันอย่าไปสนใจคนอื่นนะสนใจจิตใจของเราจิตใจเรายังมีความทุกข์อยู่ยังประมาทไม่ได้ ต้องต่อสู้เอาตัวรอดก่อนรู้จิตคนอื่นเป็นเรื่องง่ายรู้จิตตัวเองยากกว่ารู้จิตคนอื่นวิญญาณอะไรหมามันยังรู้เป็นเลยนะอย่างหมาเนี่ยมันวิ่งวิ่งอยู่นะมันเจอคนคนนี้ใจร้ายเนี่ยหมาถอยเลยเจอคนนี้ใจดีหมาก็วิ่งเข้าไปกอะดิกนะขอของกินรู้จิตคนอื่นหมามันยังรู้เลยนะ งันไม่ใช่วิชาพิพสดารอะไรหรอกแต่รู้จิตตัวเองเนะี่ยยากยิ่งจิตเรามีกิเลสอะไรเนะี่ยเราเห็นได้เนะี่ยสุดยอดเลยส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นนะกิเลสของตัวเองเห็นแต่ว่าเราดีกว่าคนอื่นเถ้าย้อนมาดูดูเป็นจริงๆนะโห่ร้ายน่าดูถ้าดูอย่างนี้ได้นะมันจะพัฒนาต่อไปกิเลสมันก็ค่อยลดละลงไป แต่ถ้าเราไปดูคนอื่นเรื่อยๆต่อไปจิตมันชำนาญในการออกข้างนอกมันจะยิ่งไม่ยอมดูตัวเองนะงั้นอย่างถ้าเราภาวนาอยังไม่ได้ธรรมะเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะดูคนอื่นนะควรจะดูตัวเองเพราะถ้าไปดูคนอื่นแล้วต่อไปมันจะไม่ยอมดูตัวเองมันสนุกนะดูคนอื่นสนองกิเลสดูเขาได้จิตเขาเป็นอย่างนั้นจิตเขาเป็นอย่างนี้ หลวงพ่อไม่นิยมเลยนะยิงบางคนมาที่วัดนะมาบอกจิตคุนเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อไล่ออกนอกวัดไปเลยเหลีวไหลจิตตัวเองเป็นยังไงรนะหากสําคัญไปพูดพูดงั้นให้เขาเชื่อถือเขานับถืออะไรเงี้ยเหลีวไหลของคุณนี่นะพอน่าใช้ได้อยู่แต่พยายามย้อนมาดูในร่างกายตัวเอง แทนที่จะดูออกไปข้างนอกหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน